ธรร ม, มชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26กรกฎาคม 2,553 มีชื่อเรื่องว่าผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงวัน ด, ดีหลวงพ่อเห็น คณะสัตยาญาติโยมมารักษาศีลวันแรกวันอสารหาบูชาเป็นวันริเริ่มเข้าพรรษาวันพุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาวันนี้เป็นวันริเริ่มที่พวกเราจะเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะเข้าพรรษาถ้ากว่าผู้ใดท่านพวกเราทุกคน ถ้าไม่มีกิจธทระอะไรมากมายนักหนาหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรารักษาศีลทุกวันพระถ้าเป็นไปได้นะเพราะเราคิดดูก็แล้วกันเราต้องฝืนใจฝืนจิตฝืนใจของพวกเราบ้างไม่ใช่ว่าเราจะทำตามอำเภอใจทาตามมัตาใจถ้าว่าทำตามอำเภอใจได้ทาตามมัตถาใจของเราเนี่ย โดยมากมันจะไปทางไม่ดีไปทางต่ำถ้าว่าเราพิจารณาดูแล้วพอเป็นไปได้เราก็ควรจะฝืนจิตฝืนใจของเราถ้าว่าถ้าเราพิจารณาทบทวนดูแล้วถ้าพวกเราจะจนลงไปอีกเพียงแต่รักษาศีลอุโบสถทุกวันพระเท่านั้น ก็ให้มันจนใ ห, ให้เห็นดูสิว่ามันจะจนจริงไหมแต่ร่วงพ่อว่าถ้าพวกเราเอาจริงจังมีแต่ความสบายใจในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นการส่องแสวงหาทรัพย์ก็มั่นคงมั่นใจและก็การส่องแสวงหาธรรมคือธรรมะเข้าสู่ใจจิตใจก็มั่นใจได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งอาหาร กายในทั้งอาหารใจอาหารกายก็คือพวกเราสสวงหาทรัพย์ข้าวน้ำโพชนะอาหารปัจจสี่ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแต่สรุปแล้วก็คือหาเงินนั่นแหละแต่ว่าอาหารทางใจเนี่ยเราจะหาเงินมาเสริมอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมาหาอย่างเนี้ยเข้าสู่วัดวาศาสนาจากนั่นก็ ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาทาจิตใจให้สงบทาจิตใจให้เย็นทาจิตใจให้นิ่งอันนี้ก็คืออาหารทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหลวงพ่อวานพวกเราน่าจะสสแสวงหาทั้งสองอย่างคือทั้งอาหารกายอาหารใจ แต่เดี๋ยวนี้พวกเราจะเน้นไปทางอาหารกายเสียมากกว่าไม่สนใจเรื่องอาหารของใจไม่ได้สนใจอาหารของใจมีแต่อาหารสนใจแต่เรื่องอาหารของกายปิ่งเต้นขนขวายวิ่งเท่าไรก็ยิ่งวิ่งหนีวิ่งเท่าไรก็ยิ่งห่างสายตาไม่จริงพวกเราน่าจะหันทางอกตั้งใจหันหน้าหาอาหารธรรมะ เข้าสู่จิตใจอย่างวันนี้ละ่ะหลวงพ่อเห็นคณะัาธา ญ, ญาติโอมมาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อว่าเนี่ยเป็นเรื่องอุ่นหนาฟ้าขั้งทีเดียวถ้าได้อย่างนี้ก็ดีตลอดไรมาสสมเดือนก็ไม่เห็นจะมีมากอะไรเพียงสเดือนกับเพียง12วันเท่านั้นเอง ถ้ามันจะจนก็คงจะจนไม่มากกระมังถ้ามันจะรวยก็คงจะไม่รวยขึ้นมากกระมังแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าถ้าาพวกเราสสแสวงหาอาหารทางด้านจิตใจฝืนใจของตนเองมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิธรำปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่ามีแต่ความ จเจริญรุ่งเรืองผาสุขใจของเราจะเย็นมีความสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเราม่ได้ขนขวายมีแต่สสแสวงหาทรัพย์สมบัติยิ่งหาเท่าไรก็ยิ่งห่างยิ่งหาเท่าไรก็เลี้ยงเท่าไรก็เลี้ยงไปเถอเลี้ยงร่างกายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวแนะนําสั่งสอนคณะสัตยาญาติโยมถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันขนาดไหนดูแลตดีดีขนาดไหน ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอคือไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บเราคิดไม่ให้มันตายมันก็ยังตายเพราะเหตุใดเพราะร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นผู้อื่นอยู่เสมอเพราะนั้นเราเลี้ยงพอประมาณดูแลพอประมาณแต่จะย่าให้ขาดตกบกพ้่องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทุกกับมันไม่ใช่ว่าจะให้ไม่ให้มีขาดตกบกพร่องซะเลยอันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของเราเนี่ยมันกับต้องการอาหารต้องการความเป็นอยู่ต้องการปัจจัยสี่แต่อาหารทางด้านจิตใจเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินห่างเหินทางอาหารทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นในพรรษานี้2553นี้ หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราหาอาหารเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรามีสมาธิธรรมีมปัญญาธรรมสมาธิธ ร, รมก็คือทำจิตใจให้สงบติดใจให้เน่งปัญญาธรรมก็คือต้องค้นคว้าศึกษาหาหลักเหตุผลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นตามความเป็นจริง เป็นจริงอย่างไรเป็นจริงร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็แก่เจ็บตายในที่สุดจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็มีวันจุดจบคือความตายแต่ถ้าว่าจิตใจพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้ว่าถ้าพวกเรามีความสนใจเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจใช้สติใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิพิจารณาไตรตรองเหตุและผล ชําระจิตชําระใจใจของเราจะเป็นพระอริยะเป็นอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาาพระอรหรันได้เพราะเราชําระใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านน ะ, ะทา ย, ยาทโยมทุกคนช่ยช่วยกันนะช่วยชวยกันชําระใจของตนเองนี่ยนะอย่าไปเลี้ยง เ, ยเลี้ยงร่างกาย เลี้ยงขนาดไหนก็อย่างที่ว่านะอย่างหลวงพ่อนะสมัยมาอยู่ใหม่ๆ ม, มาอยู่ที่นี่ปีสองห้านะดูรูปสมัยนั้นก็อยังน้อยอยังหนุ่มแต่ทุกวันนี้เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆและจะอยู่กับพวกเรานานจากเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันเพราะร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ์ทานก่อเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อนี่แหละ เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลให้พวกเราเรีบขนขวายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสะสะแสวงหาคุณงามความดีสะสะสะสะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ในเมื่อเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วถึงเราจะลาโลกหรือจากโลกนี้ไป เราก็ไปสู่ความสุขคือสุขคติแอบสุขคติเราจะไม่ไปทุกขคติถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ขนขวายเราอยู่กินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันอยู่เป็นปีปีอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วก็จากลาโลกนี้ไปอันนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจาร ท่านไม่ทำนายอนาคตของชีวิตของคนผู้คนนั้นอาจจะไปได้ทุกแข่งหนอาจจะไปตกนรกหมกไหมอาจจะไปเป็นเกิดไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันอาจจะไปที่ไหนหนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าผู้ใดมีความตั้งใจมีความสนใจใฝ่ในการกุศลพร้อมกันก็ให้ถ้า อ, อกตั้งใจพอพฤติปฏิบัตินั่นแหละมรรคผลนิพพานรอพวกเราอยู่นะ เพราะนั้นโล ก, กนี่มีมากไปหลายหลายอย่างในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการสิ่งที่ไม่สิ่งไม่เคยมี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้สิ่งไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาได้แต่ทุกวันนี้เขาว่าเหลือเชื่ออาจจะไม่จริงแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเขายืนยันว่าเป็นของจริง ่ท่านก็เขียนไว้ในพระไตรปิฎกหลายเรื่องหลายราวอย่างพวกเราเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ตามไม่จริงมันเป็นมาแล้วท่านก็ยืนยันมาแล้วเนออย่างที่หลวงพ่อเองได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎกแต่หลวงพ่อก็จะมานํามาเล่าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากก็ไม่ได้ค่อยได้อ่านได้ศึกษา ในพระไตรปิฎกหรือว่าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คนกลัวบาปกลัวกรรมอย่าไปทําอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปคิด่ขนาดเป็นคิดเฉยก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมไม่ถึงกับการกระทําถ้าการพูดถ้าการกระทําออกไปแล้วยิ่งเป็นบาปไปอีก แต่ขนาดคิดคิดเฉยๆก็ยังเป็นบาปการการทำกรรมทำได้สามทางมนโนกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมก็คือการพูดในทางที่ไม่ถูกต้องหรือพูดในทางที่ถูกต้องถ้าพูดในทางที่ถูกต้องเรียกว่ากุศ ล, ลกรรมถ้าพูดไปในทางที่ผิดเรียกว่าอากุศ ล, ลกรรมเป็น พูดเป็นทางเป็นโทษบางคนก็พูดเข้าไปก็เสียทรัพย์สมบัติติดคุกติดตารางเพราะคําพูดของตนเองก็มีมากต่อมากและ ก, การกระทําของเราก็เหมือนกันถ้าเราทําดีเป็นชงาราศีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ยกย่องเชิดชูบูชาอันนี้มากต่อมากถ้ากระทําไปแล้วทําให้คนดูถูกเหยียดหยทำทําให้คนไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ จากนั้นก็จับเข้าคุกเข้าตารางเพราะการกระทาก็มีมากต่อมากแล้วว็แนวความคิดทางคิดไม่ถูกคิดไปนในทางเป็นมิจฉาทิฐิเป็นบาปเป็นอกุศลก็มากอย่างพวกเราเมื่อกี้ในเด็กกราบคารวะครูบาอาจารย์เนี่ ย, าานนยอันนี้ก็คือมโนกรรมการคิดทางใจคือเราห้ามระยกในการคิดแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเรา มีฮิลิคือความละอายคือความกลัวต่อบาปในใจอยู่ในใจแล้วเราจะคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้นมัดระวังเหมือนกันไปคิดไปได้ยังไงคิดอย่างนี้ขึ้นมามันคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเป็นบาปนะเป็นอกุศล น, นะอันนี้เราก็จะได้ห้ามจิตห้ามใจของเราเพราะว่าพอเพราะเหตุว่าการทำกรรมทำได้สามทาง ม, มโนกรรมคือทคือทความคิดทางใจ กายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือการพูดเป็นคำพูดนี่แหละบาปอากุศลหรือบุญบุญกุศลจะเข้ามาได้สมทางมาหาพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นท่านจึงให้ศึกษาให้ทั้รวมให้ตรวจตาให้ระวังใจเอาไว้เมื่อใจของเราเป็นกุศลจิตใจของเรามีเหตุผลจิตใจของเราเป็นไปในทางที่ดี การกระทาก็จะดีการพูดก็จะดีแต่ทางวัจัยของเราเป็นอกุศลคิดไปในทางที่ชั่วการกระทาออกไปก็จะชั่วไปด้วยการพูดออกไปก็จะชั่วด้วยเพราะเหตุไรเพราะใจของเรามันไปทางต่ำเพราะใจใจของเราไม่ได้รับการอบรมที่ดีเพราะนั้นเราควรจะเข้าอบรมหรือว่าเข้าศึกษา แนวทางด้ยแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านในแนะนำอบรมสั่งสอนไว้ที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะ่ก็คือเป็นยังไงสะบบาปบาปในความคิดเพียงคิดก็เป็นบาปทำไมทำไมเป็นบาปสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเชตตะวันมหาวิหารแต่ท่าน พระมหากัจจายนะที่เป็นพระสาวกองค์หนึ่งในอสิติสาวกแปดิบองค์แต่พระมหากัจจายนะนี่เป็นผู้รูปปร่างลักษณะสวยงามผิวพรรณวันนะเสร็จสวยงดงามคือพระมหากัจจายนะนี่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เ, เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง แต่พอมาถึงศาสนาของพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราท่านได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอธิบายธรรมเทศนาให้ฟังโอ้ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามันยากเหลือเกินนะออถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเราเดินผ่านควันของไฟอย่างหนานแน่น เออเป็นโยดเดินผ่านไปเออจะรอดพ้นไปเนี่ยากมากแต่ถ้ารอดไปได้ก็นั่นแนหะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเราจะมุดเข้าไปในกลางกอไผ่น า, นาแล้วก็ใช้มีดถางไปทีละน้อยแล้วน้อยจนทะลุ ก, กอไผ่ทั้งหนามทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะทะลุได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่จะทะลุบอดโป่งไปได้เพราะนั้นที่ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอใน องหนึ่งไม่ใช่ขอ ง, ง่ายๆท่านพระมหาการเจานะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ยังไม่ได้รับพยากรณ์แต่ท่านก็เตรียมถ้าว่าอีกไม่นานนะท่านก็คงจะได้รับพยากรอนะ่ะตอนนี้ท่านก็เลยฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกลับปรำเหมืนอนกนโอ้ทายาทคณะนั้นก็ไม่เอาแล้ววะพระพุทธเจ้าคงจะเป็นขอเป็นภาษาวกตีกว่าจะได้พ้นทุก ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็หมดจดหมดกิเลสเหมือนกันกับพระสาวกเป็นพระสาวกก่หมดกิเลสเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบุญหนักสักใจไม่มีบุญวาทศนาคนทั้งหลายก็จะไม่ได้เชิดชูบูชาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่ากิเลสในใจนั้นหมดจดเหมือนกันหมดเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ากิเลสพระสาวกกิเลสพระพุทธเจ้า หมดเหมือนกันหมดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ว่าบุญบา ร, รมีภายนอกนั้นเทียบกันไม่ติดบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจานะ้านั้นบุญหนักสักใจไปที่ไหนก็เป็นที่เรื่องรือแต่ว่าการชำระกิเลสภายในใจนั้นหมดกิเลสเหมือนกันเอาเถอะเราเอาหมดกิเลสก็พอแล้วละ่ะอย่าไปเอาเถอะบุญหนักสักใหญ่เหมือนกับพระพุทธเจา้า กับปลำางกนกถะ ไ, ไม่กับปรำก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะขอพ้นทุกในวัฏะสงสารในชาตินี้พอท่านพูดกับปรำเท่านั้นแหละบุญบารมีของท่านที่จะได้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตโถมเข้ามาเลยหลุมเข้ามาเลยโถมเข้ามาท่านก็ภาวนาท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ พระมหากระจายยนะท่านเป็นตะกูลของพรามณ์หน้าตาเสร็จสวยงดงามผิวพรรณวันนะสวยงามกิริยามารยาทสวยงามทั้งหมดและก็เป็นผู้มีวาจาไพเราะเพราะพิ้งอธิบายคำย่อให้พิสดาลถ้าพระพุทธเจ้าว่ะพระพุทธองค์บอกว่าสัมาทิธินะเอาไปฟังมหากระจายยนะอธิบาย ม ห, มหากรจายก็มหากระจยยายนะก็อธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐินี่คืออะไรคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านจะอธิบายความย่อให้พิสดารเนี่ยท่านได้รับเอธัตคะนะจากพระพุทธ เ, เจ้าเป็นผู้ได้รับเอธรรัตคะว่าขยายคำย่อให้ให้พิสดารได้ในเมื่อ พระมหากระจายชนะแส ด, ง, แสดงทำจบให้แก่ผู้ที่เข้าฟังจบแล้วอสงเหล่านั้นคนเหล่านั้นไปถามกราบภูลถามพระพุทธเจ้าว่ามหากระจายนะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าค่าเป็นยังไงพระพุทธองค์รับรอยใช่มหากระจายชนะพูดถูกต้องทุกอย่างถ้าเราพูดก็คงจะพูดคงจะตรัสอย่างนี้แหละมหากระจายชนะทำถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้ว อันนี้คือพระพุทธเจ้าของเรายกย่องพระมหาการเจนนะท่านก็ได้ตั้งในถามกลางสงฆ์ว่ามหากจาจเยนเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ขยายคำย่อให้พิดารขยายคำคำเดียวให้กว้างขวางมีเหตุผลกว้างขวางรอบรอบรู้ได้นี่แหละคือพระมหาการเจนะ ท่านได้รับเอทธทตะคะทางนี้จากนั้นท่านก็เมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วทัางก็ไปโปรดคณะศรัธทธาญาติโยมหลายๆแห่งแต่คราวนั้นท่านไปที่เมืองเมืองโสระยะใครเ ม, มืองโสระยะน่าจคงจะเป็นแคว้นหรือนิคมหนึ่งอของกรุงสวัสีกำมังทีนี้ท่าน ไปอยู่เมืองนั้นท่านก็ไปบินธบัตตอนเช้ากับพระอีกเพื่อนอีกองเดินบินธบัตเข้าไปในหมู่บ้านท่านก็ซ้อนสังคาติเรียบร้อยท่านก็เดินบินธบัตจะเข้าไปในในตัวเมืองทีนี้พวกเศรษฐีหนุ่มพวกเศรษฐีหนุ่มคล้ายๆว่าพวกที่ธรมาค้าขายมีบริวารคนละสี่ห้าร้อย ก็นั่งยานออกมาตอนเช้ามาเพื่ออาบน้ําตอนเช้านะสำรักกายอาบน้ําตอนเช้าก็เดินนั่งหรือนั่งรถมานั่งรถม้ามาก็เห็นพระหมหากรจายเนะเดินสวนทางไปท่านจะเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านมีเศรษฐีลูกของโสระยะนะโสระยะเศรษฐีไอ้เขาว่าเป็นเจ้าเมืองกับเมืองเ ม, มืองนั่นก็เมืองว่าเมืองโสระยะนะ เศรษฐีนี่ก็เป็นว่าเศษรษฐีโสระยะเด็กตุ่มคนนี้ก็เป็นลูกเศรษฐีของโสรยะยะแต่พอเห็นพระมหากระจายได้ท่านคิดขึ้นมาโอ้โหพระองค์นี้ทําไมสวยงามขนาดนี้โอ้เราอยากจะได้ออยากจะได้เมียของเราเนี่ยอแฟนของเราเนี่ยสวยเหมือนกับพระองค์ใ้วารแล้วก็ผิวพรรณของท่านกับเออ เหลืองอาลามสวยงามอีกต่างหากขอให้เราได้เมียเมียของเราอยากจะได้ผิวพันธ์อย่างนี้ออย่างพระองค์นี้อย่างพระองค์เนี่ยสวยงามจริงๆพระองค์นี้แล้วก็ผิวพันธ์ก็สวยงามอีกต่างหากโอ้เราอยากจะได้เมียแฟนของเราอสวยงามอย่างนี้หว่งแต่ตามไม่จริงเขาก็มีแฟนแล้วนะเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนแล้วเหมกันนะ่ะ แต่นี่เขานั่งยานไปน่ะไปเห็นพระมหากัจจายนะเขาก็คิดอย่างนั้นขึ้นมาพอคิดเท่านั้นแหละอยากจะได้พระมหาอพระมหากัจจายนะพระมหาเถระกัจจายนะเนี่เป็นเมียวะเงั้นเพราะว่ารูปร่างท่านสวยงามหน้าตาของท่านสวยงามผิวพรรณของท่านสวยงามพอคิดเท่านั้นแหละบาปเป็นบาปนะบาปอกุศลวิ่งตบเข้ามาหาเขาเลย เขากลับกลายเป็นผู้หญิงในเดี๋ยวนั้นเลยฮกลับกลายเป็นผู้หญิงในเดี๋ยวนั้นเลยเขาโทษตายข่าทำไมเป็นอย่างนี้เลยพอจากนั้นพอเองตัวเองเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วก็เอาผ้าคุมมล่อมก้มแก้มพอไปถึงถึงใกล้ท่าน้ำเขาก็หลบออกจากหมู่เพื่อนเลยเพราะว่ามีเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเศรษฐีหนุ่มด้วยกันไปอาบน้ำเวลาเข้าไปก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ แต่เพื่อนสนิทกันมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีบริวารเหมือนกันกับเศษรษฐีโสเรยะเหมือนกันแต่เนี่นเขาก็เขากเขากาไปอาบน้ําเลยอันนี้ก็ทําท่าบลมกล่อมแก้มหลบๆออกจากหมูเสร็จแล้วก็แบบเปิดแนหนบใบเสนีว่างั้นเถอะหนีแบบตลิดเปิดเปิงอะไรว่างั้นเถอะไม่ได้มองดูใครเลยเพราะตัวเองมันผิดปกติทําไมเราจึงกลายเป็นผู้หญิงไปได้ทั้งที่เราเป็นผู้ชายเนะ จากนั้นคนหนีออกจากหมู่ไปเลยใช่ไหมไปก็นโ่นะเดินไปเมืองตะกัตซลาโนนะฮะ เ, เมืองทุกวันในตะกัศิลากับเมืองทาลีบันงั้นแหละฮะเดินไปเมืองทาริบันที่เมืองที่กันดานนะทีนี้ก็เดินไปคนเดียวแล้วงัน้นแหะไอ้พวกเศรษฐีบริวารนี่ก็ได้ถึงท่าน้ําพออาบน้ําพออาบน้ําเสร็จแล้วก็พอขึ้นมาเอา้าโซระยะไปไหนวะก็าถามหา ค้นหาที่ไหนก็ไม่เจออ่าวไม่ใช่ตกน้ําตายแล้วหรือเนี่ยค้นหาที่ไหนก็ไม่เอ้าไม่ใช่นะลงมาเราก็ยังไม่เห็นลงท่าน้ํำนะที่มาเห็นตามฝั่งแล้วก็เห็นก็หายไปเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วก็คนแถวนั้นก็ไม่มีเพราะไม่มีก็กลับมาบ้านกลับมาแล้วไปบอกให้พ่อแม่เออสซระยะกลับมาได้ยังทางพูกนี้เขาไม่เห็นหน้าไม่เห็นเอาไม่เห็นยังไงคิดว่าเขาไม่ได้อาบน้ําเขามาก่อนนะนั ทางพ่อแม่เอา้ามันไปยังไงโสรยายะลูกชายจากน้นเขาคนตัวในเมืองถึงหาที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดเขาก็เลยโอ้ตายแน่ๆหละหลายวันเข้าต่อหลายวันเข้าผลที่สุดก็เลยทําบุญทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างพวกเราไม่เห็นคนแล้วกะ็เห็นว่าคงตายแน่ๆละ่ะอาจจะจมน้ําตายหรือไปที่ไหนก็ไม่เจอตายแล้วเพราะไม่เห็นมาแล้วแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยไปไหนมาก่อนเลย จากนั้นโสรยา่าในก็นเดินเตลดติดเปิดปังไปอยู่กับพวกเกวียนพวกเกวียนอพวกขาเกวียนมัน้งัน่นแหะไปเมืองนั่นไปเมืองทาริบันไปเมืองตะกัศิลานะไปทางโน้นก็ไปเจอกับลูกเศรษฐีอีกมั้งนั่นแหละไปลูกไปเศรษฐีเศรษฐีคนนั้นไม่มีพัญญาลูกเศรษฐีเขาก็เลยเห็นหญิงสาวคนนี้ว่าหน้าตาดีเลก็เลยแต่งงานอีกอไปแต่งงานเป็น แต่งงานกับลูกเศรษฐีเหมื อ, มองตกนะกัศิลาเนี่ยพอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เพื่อนที่อยู่เมืองโสรยะเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วก็บรนทุกเกวียนห้าร้อยไปขายของที่เมืองตะกัศิลาแต่ไอโสรยะเนี่ยพอเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยก็มีลูกเมีลูกในท้องออกไปเป็นลูกชายเหมือนันคนแรก พอต่อมาอีกได้ลูกอีกคนที่สองมีลูกสองคนไอ้ที่อยู่เมืองนี้ก็เมื่อแต่งงานทางนี้ก็ได้ลูกสองคนเหมือนกันมีภรรยาอยู่ที่เมืองโซระยะมีลูกสองคนพอไปเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกสองคนอีกที่เมืองตะกัิีลาอย่างนั้นตะแกก็อะไททำมาค้าขายอยู่กับสามีนั่นนหะแต่นี้เพื่อน เพื่อนอยู่เมืองโสรยะเนี่ยเอาสินค้าบรรทุกไปเพื่อจะขายเมืองตะกัศิลาเกวียนห้าร้อยทนี้นางนางโสรยะเนี่ยได้ยินว่าเศรษฐีเขาจะมาจากเมืองโสรยะเนี่ยจะเป็นใครเนาเศรษฐีหนุ่มหรือเศรษฐีใครที่จะมาขายของเนี่ยเษตีคนนี้ก็เลยไปชนางโสรยะนี่ก็ได้เปิดหน้าต่าง ดูขึ้นไปอยู่ชั้นสอง้วเปิดหน้าต่างแง้มหน้าต่างดูนั่งๆั่งอยู่หน้าต่างพอเห็นโอ้เพื่อนของเราในวาอ์เพื่อนของเราเพื่อนสนิทของเราในวาร์มาขายของในเมืองเนี่ยเวียนห้าร้อยเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกน้องไปไปบอกไปไปเชิญหัวหน้าเศรษฐีที่เป็นหัวหน้าพ่อค้าเวีย น, เ, นยเข้ามาหาเราด้วยแต่ได้ก็พอเสร็จแล้วนางได้ก็จัด อโซฟงโ ซ, งโซฟาจัดของอย่างดิดดบปีว่างั้นเถอะแปลว่าตอนรับแขกผู้ใหญ่ที่มีเกียรติที่สุดว่างั้นเถอะแปลว่าจัดของในบ้านใช่ว่าอยู่ในระเบียบจากนั้นลูกน้องก็ไปเชิญมาเชิญมาเศรษฐีนี่ยโตเตะก็เดินเข้ามาพอมาเห็นโอ้ทําไมตอนรับขับสู้ใหญ่ขนาดนี้ก็เลยถาม อ, อคุณรู้จักคุณข้าพเจ้าได้อย่างไร ผู้หญิงคนนี้ก็ว่ารู้ทำไมจะไม่รู้เธอรู้ไหมว่าไอ้โสระยะเนะ่เศรษฐีหนุ่มก็ว่ารู้เป็นเพื่อนของเราเนยะเป็นเพื่อนของเราแท้ๆล้วเรารักสนิทสนมเขามากแตเ่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้วันนั้นชวนกันไปอาบน้ำพออาบน้าเขาหายไปในท่าน้ำเลยว่าหายไปไหนจนพ่อแม่เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเขาแล้วไง ตั้งแต่บัตรนั้นมาก็หายเงียบไปเลยเหาือนผู้หญิงคนนี้วะคนรู้ไหมเนะี่ยคนที่หายไปนั่นนี่แหละคือฉันนี่แหล ะ, ะคือฉันนี่แหละ เ, เป็นโสรยาเศรษฐีหนุ่มคนนั้นคุณทําไมพูดอย่างนั้นคุณเป็นผู้หญิงเนะี่ยเ อ, อเพื่อนของผมเป็นผู้ชายลูกหลอกเหมือนกับลูกเทวดาอลไรย่างนั้นทําไมคุณจะมาพูดว่าคุณเป็นโสรยาได้ยังไง คนผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่เชื่อเหรอพ่อแม่ของฉันเป็นยังงู้นจังเนี้ไล่เลี้ยงถูกหมดเลยถึงเออตลึงเลยทำไมเป็นผู้หญิงก็ทำไมเห็นไม่วันนั้นไงพระมหากัะจายยนะเถระของเรา เ, เดินผ่านมาเนี่ยฉันคิดในใจโอ้ฉันอยากจะได้เมียสวยๆอย่างท่านพระมหาเทระองค์นี้จริงๆฉันอยากจะได้ผิวพรรณ ภรรยาของฉันอย่างพระเถระองค์นี่จริงๆพอฉันคิดเท่านั้นเองฉันกลับกลายเป็นผู้หญิงทันทีเลยในตั้งแต่วันนั้นฉันก็เลยอายท่านก็เลยหนีจากพวกเธอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเดินมาอยู่ที่เมืองตะกัติลาเนี่ยแต่ฉันก็มีลูกสองคนลูกชายเนี่ยของฉันเนี่ยเนี่ยมีลูกชายสองคนทางเพื่อ น, นโอ้โหตาย ทำไมกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปได้แต่นี่ก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พระมหากัจจาธยยิญาณนะอยู่ไหนเอา้าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่เมืองนี่แหละเมืองตะกัศิลานี่แหละเดี๋ยวนี้จงึงอยู่ในเมืองนี้อยู่นะเดี๋ยวเนี้ท่านมาเที่ยวกรุงลงมาทางนี้อยู่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจงไปอดโทษท่านซะให้ท่านอดงดโทษให้คือไอ้โอโหสศีก ร, รมคล้ายอย่าง้พวกเรากาลาวคารวะอย่างนี้แหละ ถ้าว่าได้ประมาทพลาดพังก็ ข, ขอให้มหาเถระอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทินลักษณะอย่างนั้นแต่นี้นโอ้ยฉันไม่กลา้าฉันอายอาไม่ายไม่เป็นไรเอาจัดบ้านไว้กันแล้วกันนะผมจะไปเป็นนิมนผมจะไปนิมนพระมหากระจายจะนะมาให้ฉันที่บ้านของของของเธอเองนางนี่กหลรับปากจากนั้นก็นจัด เครื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแบบทําแบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วงั้นด้วยความเต็มใจจากนั้นเศรษฐีนหนุ่มที่เป็นเพื่อนกันก็เลยไปกราบพระมหาเทระมหากัจจายนะมหากัจจายนะมองเห็นท่านก็จําไดนะ้ขอใมนมนพระคุณท่านไปฉันที่บ้านของเพื่อนเพื่อนของผมมหากัจจายนะอ้าวเธอเป็นแขกนะี่จะไปหาในมนฉันในมนเราไปฉัน ในบ้านของเขาได้ยังไงเอาเถอะคับผมถึงยังไงก็ถึงจะเป็นแขกก็ผมในพร้อมที่จะรับพระคุณท่านไปฉันในบ้านของเขาได้ก็แล้วกันครับผมเออเอาอย่างนั้นก็รับนะต่อมาพระมหากระจายนะครับพระสงฆ์ก็ไปฉันในบ้านของเขาตอนเชา้าพอไปเห็นท่านก็นั่งนั่งประจำที่เสร็จเรียบร้อยผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านนะกับเพื่อนกับแฟนของเขากับผู้ชาย เขาก็เข้ามากราบพอมากราบเสร็จแล้วเขาก็ฮะพระผู้เป็นเจ้านี่เพื่อนของเพื่อนของผมเนี่เขากลับกลายเป็นผู้หญิงเนี่เอาพูดให้พระผู้เป็นเจ้าฟังสินางเนี่ก็เลยพูดให้ฟังว่าวันนั้นได้พบพระผู้เป็นเจ้าหทีอดิฉันได้ฆ่าพระเจ้าได้คิดอย่างนี้อย่างนี้กับพระคุณท่านขอให้พระคุณท่านเอาโหรสิให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเทิน อย่าให้ข้าพเจ้าได้เป็นบาปเป็นกรรมเพราะความคิดของข้าพเจ้าพระมหากระจายยนะทว่าเออเรางดโทษใหเออ้เพราะว่าเขาเวลาเขาเวลาเขากล่าวเนี่ยเขาก็บอบหมอบกล่าวปลงน่ยกราวลงเขาก็พูดออพอพูดพระมหากระจายยนะท่าอ้าว เ, าเธอจงลุกยืนขึ้นเราให้เอาหสิก เ, เรางดโทษให้แก่เธอ เธอจงเป็นปกติจากนั้นพอพ่อมหากระจายนะงดโทษให้ตอนนั้นเองนางนางนางนั้นลุกขึ้นมากลับกลายเป็นผู้ชายเดียวนั้นเลยแบานั้นแ อ, ออกลับกลายเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาอยัางไงเลยทีนีออ้แฟนตัวเองก็เป็นผู้ชายตัวเองก็เป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยบอกเออก็เลยบอกเอาลูกของฉันสองคนเนี่ยแหม่มอบอให้เธอนะ ให้เธอเลี้ยงนะทีนี้นะแล้วก็ดิฉันคงเกิดมาชาตินี้ทั้งเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายมันเรื่องที่เป็นหน้าอดสูงเหลือเกินฉันจะบวชนะทีนี้ฉันฉันเป็นผู้ชายแล้วทีนี้ฉันจะไปบวชครับพระมหากรจายณะละทีนี้ให้เธอเลี้ยงลูกต่อไปเนะี่ยมอบลูกให้แกเธอก็เลยมอบลูกให้แกแฟน ของตัวเองที่เมืองตะกัตศิลาที่เป็นเจถีลูกชายสองคนเหมือนกันจากนั้นก็เข้าไปบวชพระมหาการจัยชนะท่านก็ให้บวชให้บวชเป็นพระแตบวชเป็นพระก็ตั้งชื่อว่าพระโสระยะเด็พระโสระยะภิกษุจากนั้นท่านก็เดินทุรงไปตามพระมหากัจจายนะบ้านเล็กเมืองน้อยเขาก็รู้เลยว่านี่พระโสระยะเนี่ยอยู่ที่เมืองโสระยะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้ลูกสองคน พอไปยิบเมืองตะกะชีลาเป็นเมียเขาเป็นภรรยาของเขาได้ลูกสองคนแต่ได้เขาก็ถามว่าโสระยะลูกที่เกิดกับท่านที่ท่านได้ลูกกับเมียที่เมืองโสรยะยนะัลที่ท่านแต่งงานกับแม่บ้านของท่านทั้งสองอย่างนี่ท่านท่านรักใคร่มากลูกสองลูกสอสองฝ่าย อันหนึ่งออกมาจากท้องตนเองอันหนึ่งออกมาจากท้องพันยานี่ท่านรักใครมากโสรยะาในบอกว่าโอ้รักลูกที่ออกจากท้องตนเองมากกว่าเออคือมาเทียบกันไม่ติดเลยอ่างั้นเอารักมากออกมาจากท้องเองรักลูกที่ออกจากท้องตนเองมากกว่าลูกเที่ออกมาจากท้องภรรยาใครถามท่านก็พูดอย่างนั้นไทยถามพูกก็พูดอย่างนั้นเถอะ คนทั้งหลายมันก็ใครๆก็อยากจะรู้ทีนี้ต่างคนก็ต่างมาถามเมื่อน ะ, ะท่านก็ลาคาญทีนี้เออลาคาญอายเขาบังลาคาญบ้างท่านก็หลบหนีวะนี่หลบหนีไปอยู่ในที่เปียวๆอ่านี่แหละทำที่จะเกิดนะเอีย่ยลุปแล้วทำธรรมะพระอรหันต์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เกิดในที่คุกครีวุ่นวายนะเกิดในที่เปี่ยวๆ เ, เ, เกิดในที่อยู่ตามลําพัง ที่หลบลีเคลนอยู่ตามลําพังท่านก็หลบไปอยู่ตามลําพังเลยไม่สู้หน้าคนเลยท่านก็ดูใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาเียพระสุรยะท่านก็เห็นอันิีจังเห็นอนิีจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิชัยตัวตนของเราเกิดมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเกิดมาแก่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมนุษย์ชาติมันต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านอยู่ตามลําพังนะท่านภาวนาดูตัวของท่านเองอย่างอยู่แบบเดี่ยวๆเปี่ยวๆเพราะงั้นจะไม่คลุกคลีกับใครๆเพราะหลีกหลีกออกจากหมู่คณะนะจากนั้นท่านกับภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเธอเนี่อพระก็ไปถามท่านเธอเนี่ยพวกญาติโยมพระถามท่านอลูกที่เกิดกับท่านเออ สมัยเป็นผู้หญิงเน่กับลูกของท่านที่เกิดที่เป็นท่านเป็นพ่อบ้านท่านรักใครมากกว่ากันแต่นี้ท่านไม่เป็นพระหานแล้วแต่นี้ท่านบอกว่าผมไม่เย่อใหญ่ผมไม่มีความรักออทั้งสองฝ่ายความรักไม่มีในผมความเกลียดความชังไม่มีในผมผมไม่รักไม่เกลียดไม่ชงังอะไรทั้งหมดเดี๋ยวนี้พวกนั้นได้ยินโอ้พระสสรายะเนี่ย อ้วนอุตริมนุษยธรรมฟาตัวเองเป็นพระหันเนี่ยถ้าคนไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยก็พระรหันเท่านั้นนลยอันนี้ไม่น่าจะเป็นนะเนี่พูดสูงเกินไปแล้วคนเขาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสูรยญาเนี่ยอวดอุตริมนุษยธรรมเอ้วนนั่งวัดตัวเองไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธอีกแล้วนย พขาพูด้เจ้าท่านว่าเออบุตรของเราโสรยะเนี่ยเขาเป็นพระหรหันต์แล้วแหมเขาสิ้นสุดหมดจดจากกิเลสแล้วเป็นพระหรหันต์แล้วบุตรเป็นบุตรของเราแล้วไม่มีใครที่จะทำให้ตัวเองได้พ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาติไม่มีใครที่จะสังสมคุณงามความดีที่จะเบออนจิตใจของเขาให้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลรอกจากจิตของตัวเอง เนี่ยพระพุทธเจ้าว่านอกจากจิตหรือใจของตนเองเท่านั้นจะรู้แจ้งเห็นจริ ง, จ, รงจะชําระใจของตัเองไม่มีใครที่จะชําระใจของเราได้นอกจากใจของเราเองนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลไม่ใช่คนอื่นจะทําให้นะตัวเองเป็นคนทำเน่ยเป็นคนทําเองเป็นคนรู้แจ้งเห็นจริงเองเน่ยเป็นคนได้บรรลุเองเป็นคนได้สําเร็จเองคือใจเนะี่ย นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรับรองอย่างนั้นจากนั้นคนทั้งหลายก็เลยไม่กล้าที่จะถามท่านเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะนี่แหละสรุปแล้วก็คืออันนี้คือมาในพระไตรปิฎกท่านพูดพระสสรยะสรุปแล้วก็คือความคิดในใจเพราะเพียงความคิดเพียงในใจเท่านั้นก็เป็นบาปเป็นบาปอากุศล เห็นเพียงว่าอยากจะได้ผิวพรรณแล้วว่าหน้าตาก็อย่างพระเถระท่านนี้นะอยากจะได้มาเป็นภรรยาของตนเองคิดเพียงเท่านั้นแหละเป็นบาปตัวเองกลับกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาในเดียวนั้นนะนี่แหละพระมหากระจายยนะที่นี่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นไปที่ไหนๆเขาก็โหพระมหากระจายยา น, นี่ลูปหล่อละเกินเอผลในชุดท่านก็โอ้เราเนี่ย เป็นบอกเกิดแห่งความชั่วเป็นบอกเกิดแห่งความคิดไม่ดีของคนอื่นเขาเพราะเห็นร่างกายของเราว่าเราเนี่เสร็จสวยงดงามจาัดเง็ดเสร็จสวยงดงามอะไรร่างกายเฉยๆในอยู่ข้างในของเราก็มีมูดมีกรีดมีอุจจละมีปัสสาวะมีเลือดมีอะไรทุกอย่างในร่างกายของเรามันจะสวยงามที่ตรงไหนจากนั้นท่านก็เลยอธิษฐานจิตมั่งั้นเถอะ เนีคนทั้งหลายมันหลงร่างกายของเราเนี่ยแหละท่านก็เลยตั้งจิตได้ดิฐานเอา้าขอให้ร่างกายของเราอ้วนเอพุ่มพุ้ยบาดเนี่ยเพราะนั้นเราเห็นพระมหากระจายชนะลงพุงเน่ยนั่งเอเต่เลยทีนี้เออใครเห็นโอ้ไม่งามเลยทีนี้ไม่เหมือนตะกอดเออพอเห็นท่เนี่ตัวบักใหญ่แต่อ้วนกลวงพุงเลยพุ่มพุง พ, พุ่มพุ้ยเลยวันทีนี้ ออท่านตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยร่างกายของพระมหากาจารชนะก็เลยอย่างพวกเราท่านทั้งเห็นเ อ, อ, เ อ, อทุกวันเลยคนหาธรรมอย่างไม่ธรรมบางคนเห็นพระกาจายชนะมีฉัดือของท่านเป็นรูยังโยนเหรียญบาทเข้าไปในฉันดือของพระมหากัจายชนะหลวงพ่ อ, อ, อหาธรรมไม่ธรรมพวกลูกพวกหลานนี่วะใครเป็นคนคิดพาทำว่า ม่มันเป็นทางบาปไปเล่นกับลุงเหมือนพระมหากัจจายชนะได้อย่างง่ายลูกหลานมนีวะนี่หละจะลปแล้วก็คือสรุปแล้วก็คื อ, คอบาปคือแนวความคิดแนวความคิดของของคู่คนเป็นแนวความคิดของคู่คนคิดของค น, นะนเป็นบาปเป็นกรรมนี่ ว, ว่า การทำกรรมทำได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนีเพราะฉนั้นเรื่องมโนกรรมไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคิดก็ต้องมีธรรมะในจิตในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องมโนกรรมเป็นสิ่งที่ส ม, มควรจะระเวงระวังเหมือนกันนะและก็พร้อมกันในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้แนะนําหรือบอกกล่าว ขอขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งใจภาวนานะไม่ต้องทำอย่างอื่นให้ภาวนาอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระหมู่พวกเพื่อนทั้ง30กว่าองค์เลยอยากจะให้ภาวนาเร่งภาวนาถ้าไม่มีอะไรให้อยู่ตามลำพังอย่างพระสุรยะนั่นนะให้พูดให้น้อยคิดให้น้อยพูดให้น้อยทำให้น้อย แต่ว่าให้หนักแน่นไปทางธรรมะให้ค้นคว้าศึกษาปฏิบัติไปในทางธรรมะจะทำยังไงเราจึงจะเป็นสมาธิได้กําหนดอย่างไรใจของเราจึงจะอยู่กับตัวอยู่กับตัวของเราได้นั่งสมาธิพวกเราพวกจาดโยมก็เหมือนกันมาอยู่วัดวาศาสนา น, นี่มาอยู่ที่กุติของเราต่างโอนก็ต่าง ภาวนาของใครของเราอย่าไปคุยกันจนเกินไปต่างคนก็ต่างหลบภาวนาของใครของเราหรือจะนั่งเรียงกันเป็นแถวแล้วก็นั่งภาวนาเออพวกเราจะนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงนะจากนั้นก็นั่งภาวนาไม่ต้องคุยกันขณะที่คนอื่นนั่งภาวนาอย่ามีการคุยกันโทษในการคุยกันถ้าว่าพวกเราคนหนึ่งนั่งภาวนาคนหนึ่งคุยกันนะไม่ได้เนี่ยมันไม่สงบหรอก มันอยู่ด้วยกันไ ม, ไม่สกบเพราะนั้นให้รู้จักเกรงใจกันอย่าไปเดินเพ่นผ่านบุญวายอย่าไปคุยกันอย่าไปใช้เสียงในการอยู่ด้วยกันในต่างคนก็ต่างนั่งอ ย, อยู่คนละมุมกันให้มีสติสัมปชัญญะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละแต่ถ้าใครจะนอนก็ค่อยๆให้เกรงใจกันจะเป็น แบบโขกโขกก็คจงพุ่มพุมพำพำซะก่อนจะค่อยนอนมันเป็นการทําให้คนที่อยู่ด้วยกันเสียสมาธนะิสมาธิเนี่ยตัวมีเสียงขึ้นมามันเสียนะเสียสมาธินะนะพะนั้นอย่าอย่าส่งเสียงให้ระวังให้มากที่ทุกเรื่องเสียง น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพวกอยู่พวกเราพักอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะส่วนพระสงฆ์อยู่กุฏิของใครของเราเนี่ยก็พยายาม อย่าให้มีเสียงตั้งอกตั้งใจภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักจากนั้งจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานที่หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังคณิกะอุปจาระอปปนาจากนั้นก็นำจิตที่มีความที่ผ่านความสงบไปแล้วนำมาพิจารณาทางอสุภะปฏิกูลเรีอกว่าพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ หรือพิจารณาถึงมรณะนุตสติให้เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จางทุก ข, ขังอนัตตาร่างกายเนี่ยถึงจะดูแลดีดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออย่างที่หลวงพ่อได้พูดจากนั้นก็ให้ดูใจเท่นีย้อนเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมอย่าไปหลงร่างกายมากจนเกินไปนะใจนะดูใจของตนเอง เมื่อเราดูใจของตนเองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาข้ววญญา ค, ควรทบทวนดูให้ละเอียดให้ทีท่วนมองดูให้ดีจากนั้นใจของเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อกระทั่งใจอีกต่งหาใจก็เป็นอนิจจังเหมือนกันนะเดี๋ยวก็คิดนั้นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็คิดโกรคิดโกรธคิดหลงอยู่ในใจิตในใจทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราต้องมองดูใจใจตัวนี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยใช้ทำอนัตตาเนี่ยถล่มเข้าไปสู่จิตใจของเราเมื่อถล่มเข้าไปและอันไหนทนต่อการพิสูจน์อ่ะทนต่อการพิสูจน์อันนั้นแหละคือธรรมมันจะผลขึ้นมาแห่ความบริสุทธิ์หลุดพ้ น, นมันอยู่ที่นั่นแหละเหมือนกับความโง่กับความฉลาดนะสมัยก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสือเราก็งโง่แต่เมื่อเราเรียนหนังสือ เราก็รู้ขึ้นมารู้ที่ไหนมันก็รู้อยู่ที่โง่นะ่ะแต่ก่อนมันโง่แต่บัด น, นี้มันฉลาดมันรู้ขึ้นมาแล้วมันฉลาดนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเรามีกิเลสกิเลสโรคโกรธร่งมาอยู่ในใจแต่บัด น, นี้เราสลาดกิเลสราคาโทสะโมหะออกไปจากใจแล้วความริู้ธิ์หลุดพ้นก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะแต่ตรงที่เรารู้แง่งเห็นจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้ พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกคนนะหมู่พกเพื่อนทุกองน์นะทั้ง อ, อกตั้งใจปรพฤตปฏิบัติธรรมธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงจริงจังบาปบุญคุณโทษมีจริงอย่างที่ท่านพระเถระที่ผมได้กล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่นะอันนี้ท่านพูดมาในพระไตรปิฎกท่านยืนยันที่พระมหากัจจา ย, ยนะ พระเถระองค์หนึ่งที่ได้ได้รับเอตตคคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดคำยอ่อและอธิบายให้พิจารได้ให้ยาวได้ให้มีเหตุผลในการอธิบายธรรมะให้ผู้ฟังเข้าใจนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติธรรมในพรรษาที่หลวงพ่อได้กล่าวอยากจะให้พวกเรา ถ้าไม่มีอะไรในพรรษาเนี่ยควรจะมีความสัตด์จริงนะ่ยอธิษฐานเนะข้าไปเจ้าจะรักษาอุโบสถทุกวันพระใหข้าไปเจ้าจะรักษาศินห้าทุกวันพระให้ตรงพอว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญบา ร, รมีของพวกเราตลอดไปนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสุขผลกับการเวลาขอยุติในการพูดอัอนตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัดนี้นะแล้วจะค่อยเลิกกัน